มองดูสภาพเมืองไทยผู้ใหญ่เริ่มทำงานด้วยการไหว้เจ้านอกจากนั้นบางทีที่ขึ้นเป็นรัฐมนตรีเวลาเข้ารับตำแหน่งจะเข้าไปสำนักงานทั้งที่ตัวเองเป็นคนพุทธข่าวออกมาสู่ประชาชนว่าไปบูชาอันนั้นไปไหว้อันโน้อนอันนี้อะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนแทนที่จะไปไหว้พระพุทธรูป ให้ชัดเจนออกมาอันนี้คิดว่าไม่น่าปล่อยไว้ถ้าขืนปล่อยอย่างนี้แล้วประเทศชาติไปไม่ไหวจริงหรือไม่และโยมรู้สึกบ้างไหมข่าวที่ออกมาว่ารัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งก็คือเขาขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารเขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างเมื่อเข้าสู่สำนักงาน การรับผิดชอบต่อนหน้าที่ก็เริ่มต้นประเทศชาติจะเป็นอย่างไรถ้ารัฐมนตรีแสดงการเริ่มรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยการไหว้เจ้าพอ่อนอกจากนั้นถ้าจะเป็นผู้นำของสังคมนี้ก็ต้องรู้จักสังคมนี้คำว่ารู้จักสังคมนี้ให้ดีก็หมายถึงว่ารู้จักพระพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าพุทธศาสนานี้เป็นสมบัติของชาติ เป็นฐานของวัฒนธรรมไทยอย่างน้อยว่าการเฉพาะหน้าในปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่นับถืออยู่เมื่อท่านจะบริหารประเทศชาติท่านต้องรู้สิ่งที่เป็นเรื่องของสังคมของตัวเองคนที่ไม่รู้จักสิ่งที่ตัวจะไปปฏิบัติจัดทำและจะไปทําให้ถูกต้องได้อย่างไรอย่างเป็นแพทย์ถ้ามีรู้เรื่องร่างกายคนไม่รู้จักโรคภัยไข้เจ็บแล้ว จะไปรักษาผู้ป่วยได้อย่างไรคนจะบริหารประเทศชาติจะแก้ไขปรับปรุงพัฒนาสังคมไทยถ้าไม่รู้จักประเทศนี้ไม่รู้จักสังคมนี้จะบริหารได้อย่างไรเรื่องนี้เราปล่อยปละละเลยกันมานานประเทศชาติจึงก้าวไปไหนไม่ไหวที่ว่ารู้จักพุทธศาสนานั้นไม่ใช่หมายความแค่ว่า จะต้องรู้จักในฐานะเป็นศาสนาแต่รู้จักในฐานะเป็นเรื่องของคนไทยเป็นเรื่องที่คนไทยทั่วไปเกี่ยวข้องอยู่หรือเป็นของที่อยู่ในเนื้อในตัวของคนไทยและเป็นส่วนเนื้อหาสาระ ข, ของความเป็นไทยด้วยไม่ว่าจะในแง่ประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมเมื่อท่านอยู่ในสังคมนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้ที่มีพุทธศาสนาอยู่รอบตัว ท่านต้องไปปฏิบัติงานเกี่ยวข้องถ้าท่านไม่รู้แล้วท่านจะไปทำอะไรอย่างไรการที่ผู้นำหรือผู้บริหารบ้านเมืองไม่รู้เรื่องประเทศชาติของตนเองไม่รู้จักสังคมของตัวเองนี้เป็นภัยอันตรายอย่างมากแล้วชาวพุทธจะปล่อยไปได้อย่างไรเรื่องนี้ถ้าเราหันหลังไปดูแม้แต่ในสมัยราชาธิปไตยในหลวงรัชการที่ห้า ทรงทรงพระราชาโอรสไปศึกษาในต่างประเทศทรงถือเรื่องนี้เป็นสำคัญทรงเอาพระไทยใส่มากในการที่จะให้รู้เรื่องของเมืองไทยทรงมีพระราชหาหัดทะเลขาไปตักเตือนอะไรต่างๆเรื่องนี้น่าจะเป็นแบบอย่างแก่คนไทยคนไทยเราที่ส่งลูกไปเรียนนอกถ้าดำเนินตามพระราชา จ, ะจะริยาวัดนี้คงจะเป็นประโยชน์มากเรื่องนี้น่าจะนามาเผยแพร่ ก, กันด้วยว่า ในหลวงรัชกาลที่หทรงมีพระราชหัตทะเลขาไปทรงสอนพระราชโอรสที่เรียนอยู่ต่างประเทศอย่างไรบ้างเมื่อจะเป็นผู้นำก็ต้องรู้เรื่องประเทศชาติสังคมของตัวเองแม้เราจะไปอยู่เมืองไกลก็ต้องหาวิธีเรียนรู้สังคมของตัวเองให้ได้ในสมัยโน้นแม้จะเป็นราชาธิปไตยจะเห็นว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงรอบรู้เรื่องเมืองไทย และทรงทราบเรื่องพระพุทธศาสนาดีทีเดียวอย่างในหลวงรัชการที่หกก็ทรงเข้าใจเรื่องศาสนารู้ธรรมะดีถ้าผู้ปกครองประเทศของเราปัจจุบันไม่รู้เรื่องเหล่านี้จะมาปฏิบัติจัดการเรื่องราวของประเทศชาติให้ดีได้อย่างไรเนื้อความที่พูดตอนนี้เข้ามาเป็นเรื่องของภา ย, ภายในแล้วแต่ที่พูดเมื่อกี้อยากแทรกเป็นเรื่องขอฝากไว้ด้วย จากนี้ขอพูดเลยต่อไปถึงภัยภายใน